การสอมนะกข์ขันงไเคระดับอัตขันกันหน่เยทละทางใจโยงอีกตาโยงใจควาคิดโยงกันนะเจ้าในหน้าให่คหน้าเก่าการคิใทั้งคิดสอเก่ามาดูองหม่คิดใจคล เป็นมหลงเป็น่เป็นของเก่าแต่ของใหม่ดหลุมหลงกันรูดเสียงกลิ้งรถสัมผัสา็มงนีระจ้ายงไเกิดก็มีอย่อย่างนั้นที่หลรูเสียง เคยมีแต่ไนแต่ไรมาคือไปใจ้างมาจากสรู้ก็แต่สรู้ของจริงคือสิ่งที่นี่อยู่ไปใส่สัญหามาจากที่อื่นที่ใดมาจากสรู้เพราะการที่นี่ที่เจอมาหาเร่งที่จะแก้ไขใจที่ฟังสุกในจิงต่างๆดยอุบายปัญญาของพระองค์ เมื่อรู้มืเข้าใจตามเป็นเพียงในจิตนั้นจิตใหายหลงหลวงก็ได้เสื่อกรรู้แต่ใช่ไหมใช่หรือธรรมดาอย่างพวกเราท่านรู้กันรู้อยู่แต่หลงอยู่รูแบบนี้ใ่ไนได้รับความรู้จากสัญญารูทางพุทธะศาสนารู้ทีพุทธะใจรู้เม่รู้แบบหลงหลงรู้เพียง ความรู้คท nope. ี่เคยรู so ้อย exactly. ู่ก <world> so ็มีอีกเข้าใจอีกตัวของผู้ที่เจริญตัวของผู้ที่บังคับปฏิบัติเข้าใจในตัวของตัวเองกับความรู้เก่าก่อนที่เคยรู้มากับความรู้ที่เราเข้าใจเราปฏิบัติได้มันผิดแตกต่างกันจึงรับรองความรู้ ของท่านว่าไมมีอะไรที่ระสมประสานกับเรื่องการ ง, งานที่ขาดทันเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์จุดผ่องเป็นความรู้ที่ในเกวือสมุทรเหมือนแต่เก่าก่อนแต่จรแล้วรองตัวของท่านเองว่าท่านบริสุทธิ์แต่ที่จะไปถึงจุดบริสุทธิ์ได้ ก, ก็ต้องอาศัยการกประพฤติปฏิบัติที่มิคิเจน ไปตั้งแระยะเดิมต้นเหมือนกันกับบันไดในใ่เราจะขึ้นขัานสูงแล้วก็จะก้าวขึ้นตไปบ้างขั้นต่ำในตรงเกี่ยวข้องในเช่นอย่างนั้นบันไดจำเป็นทุกขั้นที่เราจะก้าวขึ้นไปสู่บ้านของเร า, รานั้นใดการที่เจรินาแจกไขตัวของตัวเองกัฉันนั้นคืนอในเรา้องข้อมติด ในเรื่องอะไรเราจะต่องที่นี้ที่แจรนาอันนั้นให้จิเรู้เห็นไปจากคลัดเกินในสิ่งเหม่านั้นตามเป็นจริงจิตจะคอยก้าวขึ้นไปสู่ขันใหม่เช่นรู้เสียงต่างตเป็นจิตของเราเคยินดีจิตคล่องพอใจ เราก็ต้องพิจารณาเพื่อแก้ไขความจิด ข, ข้องของใจในรูปในเสียงทำให้เราเป็นสึกหรือเป็นทุกรูปเสียงนั้นเขาเข้าใจไหมว่าเราไปโยส่ังกับเขาหรือหน้าที่ของเขาเป็นอย่างไรเขาเป็นไปอย่างนั้นนี่เป็นอุบายของแต่และท่า น, ขขนที่จะช่วยให้พิจารณาเพื่แก้ความจิด ข, ข้ อ, องของใจแต่นั้นการ การจุดท่องท้องใจการพิจารณารูปเสียงหรือกายเวทนาเรื right sure, ่องเป็นเรื na ่องของสําคัญถึงจะมองข่ามไม่ได้จะไปพิจารณาโดยแต่เพียงจุด่ายเดียวพิจารณาไม่ได้เพราะเป็นยังไม่เขบาถึงจุดที่จะพิจารณาอย่างนั้นต้องพิจารณาทางออกเข้าไปก่อนเหมือนคนต่อว่าพ่า เราใจเราจะเอาใจเนื้อในมันถ่ายเดียวนหมทำกลาเราทำ <c oughs> ํำเปลือกทางนอกออกก่อนเพราเปลือกมันหุ้มกลาอยู่กะลามันก็หุ้มเนื้อเนื้อมันอยู่ดังนั้นต้องทําลายเปลือกกลามันกี้ก่อนเึืจะไปพบเนื้อน้ำํำภายในต้องหมัน่นการที่จะนารู้เสียงกับเสีงเดียวกันเพราะจิต ข, ของเราเคยจิตคลอง เคยชอคอเคยืินดีในเรื่องเหล่านี้เราจึงยกขึ้นมาที่พี่เจนาเรื่องของความยินดีในใจว่าเยื้องว่าใจว่สวย่างงามต่างๆเรื่องอุบายปัญญาเดชทางธรรมะคความจรงไได้พิ่นาใจเด็ดเต็มเตาไม่ไดพิ่เจนาเอาโดยอานาจของตัณหา ที่เรน่ตามเรื ài, è, ่องความจริงของมันว่าเรื này, ่องชาเรื่องขันที่เราสมมติมันหมายว่าหญิงว่าชายนั้นมีหญิงมีชายแนนอนหรือไม่ที่เยน่าดูทั่วไปถามอะไรทั้งหมดในเนื้อในตัวก็ไม่มีหญิงที่ไหนไม่มีชายที่ไหนแล้วเราคือเข้าใจว่า สวยงามอย่างนั้นอย่างนี้มันสวยงามยิงจังหรือไม่ที่พายออกเหมือนกันตเงแต่หนังเข้าไปหาเนื้อเป็นเอ็นกระดูกต่างๆตลอดถึงตับไตใส่ทิ้งภายในมีอะไรที่สวยงามของเหล่านี้ถ้าหาแยกกันออกในรวมกันไว้จะเป็นหนังก็ดีเป็นเนื้อเป็น เปนเอ็ก็ดีหรือเป็นกระดูกก็ดีเป็นของสวยงามหรือเป็นของประดิษฐ์กูมหรือเป็นเรื่องทุกคนจะกดจิตที่นี้พี่เจนนาจะแช่ใจสิเคยจิตผ่องหนัดินดีต่างๆถ้าหากเราพี่เจนนะทำนองนี้จิตใจจะเกิดความรู้ความเห็นจิตใจจะสงบเย็นเพราะความไม่หลงไม่ตาม เรื่องสมมติต่างๆคือจิตเคยเฝ้าคิดเฝ้านึกอยู่เพราะไม่ได้เชื่อหนาดูจิตใจจึงหล่งหลงดังนั้นสมมติเอาเขาใจโดยตามหลกเขาทำาชิงหลังกายของหญิงชายนังที่หุ่นอยู่แตเหมือนดบตองหรือกระดาษของของปริจจิแต่ถึงแค่นั้นก็ยังซึมซาบออกมา หากระดาษหรือใบตองให้เน่าให้เหม็นไปด้วยคิดดูมนุษย์เราทุกคนทั้งชายทีนังหุ้มอยู่ผ้าฝอนทันสบายห่อหุมอยู่ก็ยังมีความสกปรกออกมาหาผ้าที่สะอาดให้เน่าให้เหม็นทาไงซักไหมก็นี่ก็แสดงว่าทั้งตัว เป็นของก่อจิบกินไม่ใส่ของสวยงามอะไรคือจะไปจีบใจลุ่มหลุ่มนำมือนำลายตกออกไปเสื้อผ้าหรือไปที่นั่งทีอนอนเราก็รังเกียจไม่ชอบเพราะถือว่าเป็นจของ ส, ส่งจกแต่มันออกไปจากที่ไหนไม่ใส่ออกไปจากตายอันนี้หรือ ท, ทําไมจึงไปหลุกว่ามันสวยอย่างนั้นมันงามอย่างนี้ เมือขวดที่มันไหลออกแล้วพอ เ, เห็นมีอะไรขอมหอมหัวน์ชวนดมมันจะมีอะไรภายในเหงื่อในตัวของเราเราจะเป็นแมลงหรือแมลงวันชอบของเน่าของเหม็นอย่างนั้นสมควรลหรือจิตใจของเราจิตไรเฉื่อยเป็นผู้ฉลาดเป็นมนุษย์หาอุบายปัญญาที่เจนาแนะนตัว นี่คือทางปฏิบัติเพื่อกาจัดความลืมหลงความจิตคล่อ ง, งค้ อ, อ ง, งใจการปฏิบัติเมื่อจิตยังยากยังจิดคล่องทั้งอยากเราส่งพิจารณาเรื่องอยากเมื่อมันหมดจากเรื่อ ง, ยงอาายาก็อ้จิตจีในส่วนใดเราก็จะต้องพี่เจรณาส่วนนั้นพอมันหมดไปได้มันเบื่อไปได้เรื่องทงอั้งรู้ ทั้งทั้งท e e e e, e ี่เคยจิตเคยข้องเคยชอบเคยยินดีแต่เมือที่เจอหนาให้จิตรู้เห็นเด่นชัดเป็นจริงแล้วแต่ใสหัวมันใส่นั่นก็ไมยอมที่เจอน้าเพราะจะที่หน้าอะไรรูปก็จะเจอรูปแถานั้นมันไม่มีอะไรจิตใจของสําคัญเอาเดี๋ยวเซที่เจอหนามาสมบูรณ์เพียงพอแล้วรูปไม่มีความหมาย เกิดขึนแปลปวนและแตกสลายตามหน้าที่ของมันไม่มีใครที่จะบังคับบัญชามันได้มันเป็นไปตามธรรมดาของมันอย่างนั้นจะพามันทําดีทําชั่วมันก็ทําทได้ตามหน้าที่ของจิตที่จะเป็นผู้แนะนำเป็นผู้บังคับบัญชาใน้มันทารูปมันทําไปได้ไดในเมื่อยังไม่ถึงการถึงสมัยยังไม่มีอะไรขัดขวอง โรคไข้ไครเก็บในเดียดเดือนเดินได้นั่งได้ยืนได้นอนได้แต่เมื่อโรคไครไครเจ็บเดียดเดียนมันก็อีกอะมันขับมันไม่ได้พรรู้มันเทาอันนี้จังรู้มันเทาอนัตตาเมื่อจิตเราเข้าใจอย่างนั้นการที่จะหลงในรู้มันหมดไปเพราะเคยที่จะนะแน่นอนแล้ว พอไปแล้วรูปทุกรูปจะเป็นรูปหลวงลูกสาวหรือหญิงลูกชายมันเหมือนกันหมดมันเป็นก่อนอสุภาอสุพังธาตุสุดทิความหล่อสวยงดงามมันไมนมีอะไรสวยงามเอาเลยถ้าหาสุดทิงเรื่องอันนี้จังมันก่อนอนนี้จังเหมือนกันธาตูดทิงเรื่องอนัตตาเมื่อก่อนอนัตตาเหมือนกันแล้วรูปอันนี้ไม่มีทางที่จะไปสู่ความบริสุทธ ยืด ม, มุดมุดผ่านได้จึงไม่มีทางเส้นสายที่จะติดข้องในลูกที่จะแก้ไขรูปเรื่องใจเท่านั้นคืไปมันเตหมายไหวยิ่งไหวาชายไหวสวยไหวงามไหวดีไหวชั่วต่างๆนม่คือมันพอเรื่องของลูกมันจะต้องเข้าไปเรื่องของใจของนามภายในมันมีวันพอเมื่อมันพอแล้ว ถึงสิ่งนั้นจะมีดาดเดิอนอยู่มันกลมต้องการเหมือ น, นกันกับเราทานอาหารถึงอาหารจะยังเหลือดเติมเผื่อเติมตามอยู่กว่าตามถ้าอิ่มแล้วมันไม่ทานอีกพอมันอิม่มฉันใดใจที่พี่ใหญนารูกกอดทำนองเดียวกันก่อนมันจะอิม่มมันจะต้องรู้ในตัวของมันมในใจว่ารูปหมายถึงเรื่องของสําคัญอะไร ในกองพิจัยนะมันสําคัญแต่จะเรื่องข้องใจเท่านั้นก็เราจะไม่เห็นเรื่องหองใจเรายจะสงสัยติดข้องในเรื่องทั้งยู่หลังอะไรสําคัญทําไมไปชอบไปติดไปคิดไปจุงต้องต้องสาคัญมันจึงไปคิดไปจุงไปชอบไปติดเนี่ยเป็นอย่างนั้นจินจําเต็นคือจะต้องที่นี้พิจันะเรื่องให้งยู่ให้ขออยากจะพิจัยนะให้เข้าใจ ก็พออาศัยจิตของเราสงบจิตของเราตั้งมั่นในใจที่เจน่าฝืนเดาเอาแล้วจะให้มันเข้าถึงจุดยื่นจิงเห็นจรงได้ดังนั้ทางศาสนาจันย์ยสอนสมาธิเป็นข้อหนึ่งในเรื่องของจิตขาสามศีลสมาธิปัญญานี่งคือจิตขาที่ ทุกคนนับถือพระพุทธศาสนาจะต้องศึกษาศีลข่าวจะพูดถึงความจรนงของศีลก็คือเรื่องของจิตเรื่องกายวายจาต้องรวมรักษาหเห้ร เ, หห เ, เรียบรยยาาอ้อเรียบร้บศีลใครอยากเพิ่มขึ้นไหต้องรวมระวังกายวาจานอกจากใจมันจะเก่าไว้ว่าเจตนาหั่นพิการสีลังวดา น, นี้ เหตนาความงดเวีนทางใจเป็นเรื่อทั้งสีสีมันมีเพียวเดียวเานั้นคือใจใส่ใจระวังสังวรใจเนี่ยบังคับบังชาให้ทําให้ถูกมันทํามันผูกไม่เป็นเรื่องของกายแต่ที่ทํำจนก็เพาะขาดสติใจมันเบ่งอยู่เหมือนกันแต่ไม่ได้คิดเบื่อลบว่ามันได้มันเสียอย่างไรมันเป็นไปเถออดูไว้ชั่วเราไม่ไย้เบื่ลบกันดู ยืนดีทาเชื่อพูดเชื่อไปต่างหากเราบวกลบกันดูเห็นว่าการทาการพูดมันผิดมันเป็นทางเสียหายคนอื่นเขามาทาต่อเราอย่างนั้นเราจะมีทางเสียใจในพอใจเขามาพูดอย่างนั้นเราจะต้องในพอใจนี่เรื่องของศีลคือท่านบัญญัติเอาไว้ก็เป็นโทษในสิ่งที่ในรักษา เกิดความเสียหายในเรืขึ้นถ้าหากทำไปมากๆให้เขาเจ็บใจหรือปูดไปมากๆให้เขาเจยบใจหนักก็อาจจะถูกฆ่าถูกยิงตายในระยะเวลาไม่นานเพราะเหตุคืเราทำเราปูกกับเขาในทางคื่ถือผิดเสียเมื่อเราต้องรวรและวังใายขอเราวายจาของเราโดยเจตนาจนหมบเว้น ขั้วเสียต่างๆพอเราไม่ชอบเขาก็ไม่ชอบเหมือนกันกันกบเราเราก็ยินดีรักษาจะทําจะพูดที่นี้ที่เจรณาทางขั้วทางเสียต่างๆหากมันจนไปเขื่อทางเสียหายก็ไม่ทําม่ถูดไม่ขั้วลักษาศีลไม่ใช่หรือทำแต่สําหรับบุคคลตลอดทั้งสัตว์ ทุกชีวิตเขาก็รักษาชีวิตของเขาสว น, วนชีวิตของเขาไม่อยากให้ใครแต่ต้องไม่อยากให้ใครฆ่าเขาเราคิดดูสัตว์เล็กสัตว์น้อยเราจะไปฆ่าไปตีมันยังตีเพราะมันรักษาชีวิตของมันมันไม่อยากตายคนรคิฝ่าฝืนทำไปอย่างนั้นจึงได้เสือเบียดเบียนเขาไม่ใช่ทาง ที่จะนาความสุขความสบายมาให้ทั้งทั้งทเราทําไปเราก็ตําหนิตัวของเราไล่แล้วสังรักษาจริงๆให้ระวังเวตนาของใจเป็นเรื่องของศีลมันใจเรื่องของกายแต่พูมาในด่านธรรมะพิธานคือเรื่องของใจต่างใจรักษาต่างใจระวังสังวรไม่ ทำเฉียวทำเสียถึงจะรับจากพระหรือไม่รับจากพระต่อตามเจตนาจะงดเว้นอย่างนั้นมันก็เป็นศีลสมบูรณ์ในคนคนนั้นทัางเสียรับดูจากพระยังไงจบคำแต่เท่าไหร่เวทนาของใจที่จะรักษาไม่ทำเฉี่วเกิดเฉียว อ, อย่างนั้นไม่มีแต่ถึงเวลารับก็รับกันไป เสียงขอรับก so, so, ็รับตามเขาอย่างนั้นจะรับวันอย่างข้ามมันก็เป็นศีลให้ถ้าเจตนาของใจนีแต่เจตนามีถึงจะไม่รับมันก็เป็นศีลหรือวันอย่างข้ามฉะนั้นศีลก็เป็นเรื่องของใจไม่ใช่เรื่องของอื่นก็กายวาจางเป็นส่วนใช้ของใจเท่านั้นเมื่อเรารักษาศีล ของเราปลอดภัยในหายใจไ ป, ไปพิดไปพูดไปทําในสิ่งเหล่า น, นั้นสิ่งท่งเราจะสมบูรณ์โดยปกติเวลาเราอยู่กับที่เราสะดับแต่ฟังธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ากายปกติใน่มีอะไรที่จะไปทําฉื่อยทำเสียวยายใจเงียบ ส, สิ่งของเราโดยที่สุดหยุด ตั้งมั่นเพื่อจะสังเหตุผลที่ท่านแสดงไปมีชั่วผิดถูกอย่างไรจะกำหนดพิจารณาตามคือถีฟังแบบนั้นตั้งใจแบบนั้นท่านเดชเลสนักฝลในสมัยธธพุทธกาลเพราะไม่ได้ฟังแต่เชื่อหูฟังเข้าไปชิงใจหนก็มีอยู่แล้วสมาธิ เพื่อความตั้งมั่นทอ้งใจอยากจะรู้เหตุผลยึดจังก็พร้อมอยู่แล้วอย่างปัญจารกีรือตะดินฟังเทศจากพระพุทธเจ้าท่านจะสำเร็จมักผลแล้วขี่เฉพาะหน้าของพระองค์ก็เพราะไม่สงจิตส่งใจสายไปที่อื่นที่จะนาเหตุผลที่ท่านแสดงไปท่านจตอบคำถามของพระพุทธเจ้าอยู่ อย่างในอนตัตตลานสุข <c oughs> เป็นทุกข์หรือเป็นุแต่ยังตาว่าเป็นทุกข์เที่ยงหรือในเที่ยงตาว่าในเที่ยงควรยึดถือด้วยไมในเที่ยงยึดถือนะคาตอบยังตอบกันอยู่แต่เท่าว่าจิตของท่านเห็นรู้เป็นอย่างนั้นในใจตอบในใจเที่ยงหาดเอาสื่นเอาเข้าใจจริงจัง ฟังเสร็จแสดงเสร็จหยุดกระสนจากกิเลสเห็นไหมสมัยพุทธกาลเขาไปจ่าสอนเป็นอย่างนั้นแต่พวกเราท่านฟังไม่เคยฟังแบบนั้นระยะฟังกว่าถึงระยะเวลาที่กำหนดหมายให้ฟังก็ฟังกันไปในข่าว่าจะเอาอะไรจากการฟังของตัวท้านท่านคือฟังอยู่กับคิด เกิเพลินไปในแง่อื่นอย่องอื่นถ้านช่าคือไม่พูดไม่ทําแต่จิตมันคิดจิตมันอยู่ในวงของอัตของทำถ้าจิตอยู่ในวงของอัตของทำก็ยอมได้ครับประโยชน์จากการฟังและอีกอย่างก็คือผู้แสดงถ้าผู้แสดงไม่รู้ไม่เข้าใจเรื่องของอัตของทำกูฟัง จะฟังให้ถึงหยุดถึงใจไล่จีวีตั้หาก็าล้ได้ยากอีกเพราะผู้แสดงแสดงเขางดด้าไมา่ถึงหีือพระพุทธเจ้าก่อนจะแสดงทำโปรดใครผันมีพยายานภายในทราบได้ว่าคนกลุ่มนี้รหรือพวกนี้จะแสดงทำบทใ ด, ดเขาจึงจะเน็มใจศรัทธาในการสดับรับฟังและจะเกิดผลประโยชน์จากการสดับต่อฟังของเขาพระพุท้เจ้า ท่านมีตายาอย่างนั้นท่านสแสดงที่ไหนจึงไม่ผิดหวังเพราะท่านเห็นแล้วว่าคนประเภทนี้โรคประเภทนี้จะต้องวางยาประเภทนั้นใส่ลงไปโรคส่วนนี้จะต้องหายอย่างแน่นอนเหมือนกันกับนายแพ ท, ทย์ที่ฉลาดรู้จักสมุฐานของโรคแล้วก็หายาที่ถูกต้องกับโรคเหล่นั้นมาให้ทาน มาให้หาโรคที่มันมีอยู่ก็าหายไปพระพุทธเจ้าจแสดงธรรมเป็นแบบนั้นค <c oughs> ูอฟังจึงใดนักเร็จมักผลในสมัยพุทธกาลพวกเราท่านที่มาปฏิบัติมือหน้ามือตา <c oughs> ศึกษาหลักธรรมะ ก็พึงช่นิติเจนาทำสอนของพระพุทธเจ้าว่าฉันฉลาดแหลมคมขนาดไหนที่นำธรรมะมาสอนสรรโลกเห้รู้เห็นตามเป็นจริงได้ถ้าท่านโง่าท่านคล่องท่านติดเหมือนมนุษย์ธรรมดาท่นก็เลยมีธรรมะอันเลอประเสริฐอย่างนั้นมาแน่สอนมีฉันรู้ท่านเข้าใจ ในธรรมะทุกสิ่งทุกอย่างเคยปฏิบัติผ่านมาเคยพิจารณารอบเข้าใจในอาธรรมทั่วไปไมมีอะไรที่จะข้องจิตในจิตใจสงสัยว่าอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้จะเป็นอย่างนั้นไม่เคยมีในพระไทยทั้งทัานเพราะทุกสิ่งทุกอย่างตัดออกไปจะเป็นของจริงไม่มีของฟอมเพราะจิตของทางจรง อยู่ตรงางไหนจอมไมแสดงเพาะเห็นแก่ลาภแก่หน้าแก่ตาของคนไม่แสดงเพราะความกลัวไม่มีอัตตินี่แสดงพราความรักจะแสดงพราความหลง้าแสดงความคิดจนอย่างไรแสดงไปอย่างนั้นทํำจนจนเรื่องกระทบกับบุคคลเพราะ คนมีกิเลสถ้าแสดงไปตามกิเลสของคนคนเพลิดเพลินจังหะลืมหลงในอย่วงเหงาหง่อนเ ห, เห น, น็ดเหนื่อเยเพราะใจมันชอบแต่การทังทำคนมักบน่นว่าหเหเ ง, งหาหงนอนเ ห, เห น, น็ดเหนื่อเยเหน่อยหิวต่างๆเพร า, ท า, าะทำถแสดงไปมันเน็ตเข้าไปสัมผัสกับจิตใจของเขา มันไปคนละเรื่องแล้วมุมกับความคุดเขาชอบเขติดถ้าไปแสดงตามเรื่องของเขาแสดงตามเรื่องของกิเลสมันกำหนดเป็นธรรมแสดงตามเรื่องของธรรมมันก็ผิดกิเลสดังนั้นคนที่ง่วงเหงาหานอนคนทิ่เหนืเหนื่อยเหนื่อยหิวฟังธรรมแล้วมได้อะไรเกิดขึ้นนั่นคือคนไม่มีจิตสัมผัสกับธรรมไม่รับธรรม ถ้าเป็นคนไข้ก็ไม่มีเวลาที่จะเหยียดหายมีแต่ทางจะตายถ่ายเดียวเท่านั้นจิตใจคี่เป็นอย่างนั้นจึงควรแก้ไขจิตใจทองตนว่าการสร้างธรรมเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับสาวกนอกจากพระพุทธเจ้าหรือปัะเจกับพุทธะเท่านั้นถึงจะมีปัญญาแหลมคมขนาดไหนหรูอ ฉลาดขนาดไหนถ้าหากเลยฟัยงธรรมจากผู้ก็ไม่มีทางที่จะเข้าจิตเข้าใจไม่มีทางที่จะละถอนได้เลยเกิดปัญหาบรรดาสาวขั่วไปเป็นอย่างนั้นยกตัวยอย่างพระสารีบุตรฉลาดมนะากนอกจากพระพุทธเจ้า ม, มีใครที่จะเชื่อถึงแต่ถึงกันนั้นก็ไม่สามารถที่จะพิจารณาอธิธรรม ด้วยตัวเองเห่รู้ให้เข้าใจนอกจากจะสะดับจากคนอื่นแล้วจับทานั้นมาก็ะหมดที่นิจไารนาอย่างกัรสะดับในคชาวันพริบพายชกจากผ้าเ ส, สื้อเียงสดับขั้นทาที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นแผ่นสอนว่าทาทั้งหลายเกิดมาจากเหต จะดับกบอข้เหตุพระพุทธเจ้ามีการสอนอย่างนี้เราเนี่ยในบวชมานานแล้วยังไม่เสร็จคนเสวยตลาดอะไรสาษ้ทาทั้งสี่เป็นอรหันต์ท่านก็ถอมตัวขนาดนั้นท่านสอนเพียงแค่นั้นเนี่ยว่าท่านทั้งหลายเกิดมาแต่เหตุจะดับก่อข้เหราษาในบวชพระพุเ้าน่ะเข้าใจละ อย่างทิฏี่มาเนะ่ยละเรื่องความของติตในจิตในใจได้ดวงตาเห็นธรรมคืสอสําเร็จเป็นพระโสดาบันในขณะที่ฟังอารยชี้แสดงธรรมเพียงแค่นั้นเหิดคืออะไรดับเหิดคืออะไรอะไรเป็นเหตุจะดับเพราะเหตุ ด, ดับอย่างไรนั่นเป็นสุดสําคัญ พืท่นนานพิจารณามันต้องมีเหตุก่อนมันจึงเกิดผลทุกสิ่งทุกอย่างไปเหตุก็คือเรื่องของใจกายจะทำวาจาจะพูดก็เรื่องของใจเป็นสำคัญใจนั้นรักก็ได้ชังก็ได้แล้วแต่เรื่องของใจที่จะคิด ตรงไปการพิ่เจนาเรื่องเหตุคือเรื่องหัวใจจึงเป็นเรื่องสําคัญที่พวกเราท่านควรมองข้ามควรจะที่นึกทีนะใจที่เราลืมหลงต่างๆไม่ใช่วัตถุที่เราลืมหลงเป็นเพื่อก่อกวรให้เกิดขึ้นเป็นเรื่องของใจใจที่ขาดเหตุขาดขนใจที่ไมมีความรู้ดีรู้เสด มันจึงเกิดเปลดลื่หลงเพลินผาดดบเรื่องของใจได้ใจรู้ใจเห็นเด่นชัดความม่ความคิดความติดความ้องเหล่านั้นมันดับไปเองเพราะเหตุมันดับคือใจมันนจิดใล้องใจมันน่นแต่งในส่วนถี่เชื่อถี่เสียน่เชื่อเหตุเกิดมันอยู่ภายใน ในประโยคภายนอกฟังแล้วฟังเขา้าใจเพราะแตงพี่แกน่ะตามได้ความรู้ความเขา้าใจถึงจิตถือใจ ย, ยืงจังตัวเราพูดคื อ, อ, อใจมันเป็นอย่างนั้นมันก็พูดได้แต่ใจมนันเป็นอีกอย่างหนึ่งฟังก็ฟังได้อย่างที่พูดแต่ใจมันก็ไม่รู้ไม่เห็น มันจริงอย่างนั้นมันจริงสำคัญเรื่องของใจต้องประพฤติปฏิบัติต้องเข้าใจโดยตัวของตัวเองไม่ใช่วองฟังแล้วใ จ, ใ, ใจไม่เป็นไปก็ว่าได้ยินแล้วทามันแล้วเพียแค่นั้นมันต่สอนกันง่ายเรียนง่แต่การประพฤติปฏิบัติอย่างให้มันเป็นมันเห็นอย่างนั้นภายในจริงจังมันเป็นของสําคัญถ้าใครเห็นใครถอยใจอย่างนั้น มันไม่มีวันที่จะลุ่มจะหลงจะมัวจะเมาเรื่องทังโลกคนอย่างไรในธรรมะท่านเคยสอนไว้ทุกเนี่ยทุกงมเคยอ่านเคยฟังกันมาแต่จิตใจทั้งพวกเราดังลื่มดังหลงคือมันเหนื่อยแล้วฟังแล้วแต่มันเหนื่อยแล้วในใจได้ยินแล้วแต่มันเหนื่อยแล้วให้ใจมันยังลื่มยังหลงยังจิตยังขลองยังเป็นการ ถือเราเองจะสอนตัวของเราเองที่ไม่ที่เจนะเดือดตัวของเราเองอีกจนเข้าใจไปจากว่าสึ่งที่เราได้ยินจริงจึงที่เราได้ฟังมานั้นมันเป็นความจริงขนาดไหนใจรู้ใจเห็นหายจิตหายข้อนี่คือแล้วคือไม่มีการพิจารณาอีกไม่มีการละอีกเข้าใจจริงจรเข้าไปถึงใจทั้งรู้ทั้งเห็น ภายในทั้งตัวความรู้ของพพุทธศาสนาหรือก็ไปภายในอย่างนั้นใจถือใจดืดึงข้หักแต่ที่เจรณาทำเขียนทเข้าใจทำจะหายขยศหายดื้อดึงก็เคยมีสาวกหลายท่านหลายองค์อย่เป็นจอมโจรมากกว่ามีเคยสาเคยตีประหัประหารแต่พอจิตใจเข้าไปเชื่อทำ มันละหมดถอนหมดเหลื่อมเสื่อเสี้ยต่างๆ่างหคือความเห็นธรรมรู้ธรรมภายในใจถ้าเพียงจะจํา ม, มารู้แต่ภายนอกมันไม่เป็นอย่างนั้นมันจริงไหนแล้วไปถั่วทักทีทั้งทั้งที่ดได้ยินได้ฟังมาได้คิดไปยังคิดยังคิดทั้งท้งที่ถึงสอนว่าเป็นอริยภาอริยพังเป็นของเหม่สว ย, ยงาม ไม่เป็นของยืนรังย่างยืนเป็นของเกิดทุกข์เป็นของขบังคับบัญชาไม่ได้แต่มันก็ยั ง, ง, งติดข้องก่อป่วยเอาสิ่ง น, นั้นมาเป็นอารมณ์ของใจหนู่ชื่อใจยังไม่เห็นยังไม่เป็นภายในจึงศึกษาเรื่องของใจปฏิบัติเรื่องของใจให้มันเกิดเรื่องภายในให้มันเห็นเรื่องภายในไปจากในตัวเองเรื่อตงต่างๆมันจะตก จหล่นออกไปเพราะใจเห็นใจรู้ในนี้อะไรที่จะหลอกเรื่องของใจเท่ากับใจตัวเองคนภายนอกคือเขาจะหลอกใน้ลืมให้หลงน้อยแต่ใจของตัวเองหลอกตัวเองหลอกมากจริงๆเคยเบือกับชอบกับติดจริงๆเคยชอบเคยติดกับเบื่อ มันหลอกมาชินที่เคยว่าสุขกลับเป็นทุกข์ชินทีเคยทือว่าทุกข์กลับเป็นสุขมันเคยประสบพบมาในตัวของตัวเองนี่คือใจคือร่นที่หลงใจที่ไม่แน่นอนใจที่ไม่รู้เห็นอัตธรรมเด่นชัดเป็นอย่างนั้นท่านอใจทีอไม่ร้เห็นอัตธรมเด่นชัดไม่เป็นอย่างนั้นรู้อย่างไรคอยใจอย่างไรแล้ว ไม่มีการหลงการลืมไปอีกจะเข้าใจประจักษ์อยู่ตลอดเวลาการปฏิบัติธรรมทางเดียวเท่านั้นที่จะทำให้พวกเราท่านส้นจากทุกคือทุกของใจหน่อยใจพ่นทุกกายมันก็พ้นไปด้วยส้นอย่างไร เพราะมันไม่เป็นมั่นใจหมายไม่ไปยึด ไ, ไปถือกันต่างอันต่างบริสุทธิ์ต่างอันต่างอยู่มันจะมีโรคภัยไข้นนเจ็บเหนื่อยเหน่อย เ, เหื่อมันก็เป็นเรื่อ ง, งของขันของกายแต่ใ จ, ใจที่บริสุทธิ์เป็นอย่างไรท่านเข้าใจในตัวของท่านในความบริสุทธิ์สื่อว่าเพื่อปฏิบัติจะได้จะหเห็น ภายในตัวเรื่องของโลกค <c oughs> ื่เราลืมหลงบนกันว่าทุกวัยยากว่า ล, าลาําบากลํำคานอย่างนั้นอย่างนี้ก็เพราะจิตใจของเราชอบจิตใจของเราย็นดีเบองต้นแต่มันเบื่อ ม, มันหน่ย า, นายผลคือมันเกิดขึ้นที่เราไปทําไปคิดไปพูดต่างๆมันไม่หีความโสมวังไม่มีอะไรที่จะโสมวังโลกอันนี้ นี่แต่ผิดหวังเรื่อยไปไม่เหมือนเรื่องปฏิบัติธรรมที่ปฏิบัติธรรมเมื่อถึงที่สุดมีมุทะยงจางไม่มีการผิดหวังทั้งตายทั้งยังใน่ผิดหวังทั้งนั้นเพราะความสมหวังความสมบูรความพอดีมันมีอยู่ในจิตในใจของเรา แต่เรายังไม่พบไม่เห็นเพราะอานาจของสิ่งอื่นตกคุคหุ่นหอยู่สิ่งที่ห่หอันจ้งเรียกว่ายีเรศเรียกว่าตันหาคือปฏิบัติตวาองสำลักสิ่งที่หุ่นออกเหมือนมะพร้าวทั้งลูกเขาก็เหลืกมะพร้าวเอาปลือกออกเขาก็เหลือมะพร้าวเอากะลาออกเขาก็เหลืกมะพร้าวเหมือนกันนี่เ่อง ใจกระทนงเดียวกันมันหลายชั้นกิเลสปัญหาจะต้องพัฒนาเมื่อถึงทื่สุดของมันเอากะล า, าอกลอกเอาเปลือกออกหมดแล้วมะพร้าหลุมนั้นจะไปปลูกไปเพาะให้มันเกิดมันเกิดไม่ได้นะถ้าทำลายมาแล้วนี่จิตใจของวกเราท่านกระทนงเดียวกันแยกไม่ทำลา ย, ยกิเลสปัญหาก็อยากบริสุทธิ์มันบริสุทธิ์ไม่ได้ เพราะมันจะมีเชื้อมียางของมันสืดพันธุ์ต่างๆเหมือนกันพ้าเรานึ่งเราเผามันสูกแล้วมันไปสูกที่ไหนมันไม่เกิดอีกมันในห้อกจิตใจของพระอรหันตอรหันตท่านที่หมดกิเลสท่าก็ทราบคือมันคิดมันฟุ้งมันหลืมมันหลงเพาเหตดอะไรเพรใจยังไม่เห็นของจริงเพราใจยังไม่รู้สึก ละเอียดขนาดไหนก็รู้ว่าละเอียดแต่ทำที่จะรับรองตัวเองว่าบริอบอรสุทธิ์แล้วอย่างนี้บริสุทธแล้วมันยังไม่รับรองมันจะไม่รับอรบองก็ต้อง้ิจารณาไปมันยังสัมผัสยังติดข้องกับอารมณ์อะไรที่จนาเรื่องเหล่านั้นเรื่อยไปจผลที่ตกมันตากดขึ้นตามบริสุทเมื่อมัน ตรากฏขึ้นและสิ่งที่เราพิจารณามาว่าละเอียดนั่นก็ทางอย่างมักสัมมาทิฏฐิสัมาสังกัปโปเป็นทางสติปัญญาเป็นทางไม่จำเป็นในความบริสุทธิ์ว่าจะเป็นสติว่าเป็นปัญญาพ็ถึงความบริสุทธิ์แล้วสติก็ไม่ใช่ปัญญาก็ไม่ใช่ อะไรไม่ถูกทางนั้นจะจะเข้าใจเฉพาะเรื่องของตัวเองวางสมสมุติถั่วไปธาตุขันคืสมมุติกันสังขารคือจิตตุลเป็นอย่างไรเป็นสุดวันสุดหรือเป็นธาตเป็นขันมันจะทราบได้สุดวันสุดนั้นถ้าหาวันยามาเกี่ยวข้องเกี่ยวปนอยู่กับเรื่องสมมุติ ยังมีสงสัยลังเลใจยังในใสความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์นั้นแต่ไปจกักว่าอะไรทั้งหมดไม่ใช่ทั้งนั้นในใช่คืออะไรคือความบริสุทธิ์เข้าใจถนัดชัดเจนอย่างนั้นถ้ามันเห็นอย่างนั้นมันก็าหายสงสัยว่าการละการบําเพ็ญจะทําอะไรอีกมันหมดปัญหาในจังหว จบสมมติจันทร์อื่นที่จะทํายิ่งกว่านี้ไม่มีมันไม่มีแต่การละการบําเพ็ญของท่านในการปฏิบัติมันถึงขั้นสุขขั้นสงบขั้นประเสริฐพิเศษขนาดนั้นแต่สุขสงบที่ว่าไม่ใช่สุขสงบของเวทนาที่กล่าวว่าสุขทุกเฉื่อย มันเนี่ยอยู่ในขอบเขตของเรีนาเพราะขอบเขตของเรีนนาเราเคยทประสบทมาอยู่ไอ้ความสงบอันนั้นนัดที่ขั้นฝึกบาลังสึกขังไม่ใช่ฝึกแบบเวทนาเป็นฝึกแบบไหนก็คือฝึกแบบสมมติฝึกแบบสงบไม่มีทางมีเวลาฝึกไม่อยู่ในวงของสมมติไม่อยู่ในวงของโลกผู้ที่มาพิสูจนปฏิบัติจะเห็นจะเป็นภายในตัว ไม่ใช่ฟังคนอื่นแล้วจะเข้าใจเมืันเข้าใจในตัวถ้าเราเพื่ปฏิบัติถึงที่ทําจริงนรัสที่ติโกเห็นเองปัิจจังรู้เฉพาะจงลงมือตั้งหน้าประพื่อปฏิบัติการประพฤ่อปฏิบัติเท่านั้นจะทําให้ตัวของตัวถึงที่สุดยมุดได้จะไปนอนใจตายใจเป็นพระเป็นเมรุแต่เทศ แต่จิตใจดังสายแสดหงาหันอยู่วัดต้งแต่กายใจยังเถื่นผ่านจิดอ่านแบบ้ารว่ามันก็ใช้ไม่ได้ต้องรักษาการชำระของชำระความชั่วรักษากายรักษาวาจาพอรักษาง่ายแต่รักษาใจรักษายากหากขาดสติแต่ก็ไม่เหลื้อยสาย เพราะทันทีรักษาได้บริสุทธิ์ได้ก็เคยเป็นผูที่ชนคนหนามาเหมือนกันกับพวกเราไปใส่ท่านบริสุทธิ์มาตั้งแต่ขอ้อบท่านก็สมละถึงหม่มห่ อ, คอเคยเกลียดตันหาระวังกายวาจาใจาองตนมีสติรักษามีปัญญาแน้นสอนตัวของตัวสม่ำเสมอไปฝึกปฏิบัติ ตัวของตัวในทางที่ดีถึงจะดีได้จึงจะเกิดได้หไปนอนใจว่าเราเป็นพระเป็นเนแล้วก็มรรคผลจะเกิดขึ้นเองแต่าทางทรมองนั้นไม่มีทางต้งหมั่นที่นิพใจนกำหนดรักษาจิตใจแย้เป็นตัวสเสียดจงไรสำคัญ จะทําให้เราเดือดร้อนวุ่นวายคิดตึงต่างๆอารมณ์อดีตผ่านมาหลายสัปดาห์อยู่ปีอยู่เดือนมันจับมาคว้ามาอนาคตยังไม่ถึงก็ขาดหมายไปปัจจุบันเดายังมีไหลไปสู่อดีตอนาคตปัจจุบันเดี๋ยวนี้มันคิดมันติดในเรื่องของธรรมหรืในเรื่องของโลก ตัวตาพเจนามันเป็ ã, ha, นทางสัลัะหรือเป็นทางหามาในตัวเองหยุ่งเหวีงเป็นทางมรรคหรือเป็นทางสมุทัยตัวตาพเจนาภายในอยู่เรื่อยใจจะมีทางเข้าใจตัวเองตัวรักษาง่ายเหมือนอย่างว่ามันไปในทางขิด ก็แก้ไขามันมันไปในทางทิ่ถูกก็พยายามรักษาบำรุงมันแต่มันไปในทางที่ดีสม่ำเสมอไปใจดีใจเย็นเย็นใจสงบจิตะผูกไปเสิ็จตาเห็นก็ไม่หลงในรูปหูได้ยินก็ไดยหลงในเสียงทั้งทั้งสุ่คนอื่นสัดอื่นเขาหลง มีท่านเลยหลงเพราะท่านมีสติทันมีปัญญาท่านมีธรรมะพยายามแนะสอตัวฝึกตัวคนที่ฝึกตัวท่านจะเป็นผู้ปฏิบัติคนที่ขาดสติขาดปัญญาในนี้ทางที่จะถึงวิชาวิมุตได้ จะจะโฉมลึกเรื่อยไปเพร า, าะเชื่อที่เหลือดตํำหาเป็นศาสตรานําใจเชื่อไปเท่าไรก็ถูกหลอกถูกเลียงไปแถวนั้นถูกต้ถกต ม, ถ, ถ, ถ, มถูกต้มไปแถวนั้นจิตใจยังมีอะไรก็จะเป็นเพื่อรักษานอกจากสติปัญญาของตัวเองคนอื่นทางก็รรักษาของท่าน มันเป็นผีดถ่าจะมารักษาให้เราดังนั้นเรารักเราเราต้องรักษาตัวอย่าให้ความทุกข์ความเดือดร้อน ต, ต่างๆมาเกี่ยวข้องกายใจทั้งสออารมณ์สัญญาผิดเคิเป็นผิดสุบสต่อ ต, ต, ต, ต, ต, ต่างๆผลักดันมันออกไป แลให้มันนะจึงในจินในใจพยายามสอนใจแหกไข่ทำที่เจ้านะหาความจินของมันความจิงนั้นจะเกิดขึ้น